เฉพาะ อ, อย่างยิ่งหนึ่งเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผูน้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้ น, นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่ง อ็ไรเพราว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจําอยู่สมงรายการคือหีริและโอต ป, ปะหีริความอายแต่วความชั่วโอต ป, ปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านพูนใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านพูนนั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเอง หากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาหรือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระนาคามีและอารมณ์ของพระอระหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่ว ด้านระดับพระนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามอารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในเรื้การหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธเพี้ยบาดคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกมีที่ไหนโทษชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกา ม, มารมณ์คือรักโรบสวยเสียงเพราะเปิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ อีิจฉุร้าวพฤติกามารมณ์คนดีความมักโกรธเพยาบาดจองน้างจองผลาญบุคคลอื่อคนคนดีอาการนั่งสอนราการนี้ไม่มีอะไรบรนดานความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปรูปคนหรือว่าโรคสัตว์หรือว่าโรควัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยง เลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปคนตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติ จึงเห็นว่ารูปมีสภาพแปรนิจจงแล้วก็รูปมีสภาพแปรนัตตาเจ็แก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มด้วยความสุกกรบกโศโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียง ไม่เป็นปัใจจัยในการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่แลอเสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอนุว่ารูปเสียงเก็นรสและสัมผัสเป็นอนัตตา เมื่อผ่านไปกนแล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของโรคเสียงเกลิ่นรถไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามรมคือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้ก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุข แบบทุกที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขเพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความงโง่เป็นเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบรรดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรงเคียงหมอนอยเดียกัน ก็เป็นปัจจัยบรรดาญความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาเรื่องเราเหิ้งกันได้โดย ง, ง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายกายที่สุดโทมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์ เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่กับทุกคู่เมื่อความมีบุตรเป็นสมุยบุตรปีนดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแก่ลงไปป่วยลงไปตายและความตายจะเข้ามาทิ้งภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในทีส่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อ ย, อยถ้าไปโดนลูกอ ก, กตัญโยไม่รู้คนเขา้าก็เสร็จ การมีลูกมีเต้าถือว่ายอมเป็นที่พึ่งเสืบเปะกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบเปะกูนทาใครนะั่นมันไม่มีสืบเปะกูลสัตรัยก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะเพิ่งเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในการมาชันทะาเส้นได้ความสุขมันเกิด มันมีด้วยความเยียกเย็นมีได้ชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี้จะมีขนาดไหนท่านทห่งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทห่งหลายจนพิโสคําสั่งสอยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกําลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในการมาร์คมือกําลังของฌาน ถ้าแค่าชานส ม, มาบัติจะทำให้วันดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนีดน้ดิมหน่นยายของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้ขนวิธีตัดก็คือใช้สกายะทิฐีอางกายยุ ค, า ค, าคาตานุาสติคือพิจรารณาร่างกายตามความเป็นจริง ถ้าเอาศัพสัญญาหรือเอาศักรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสุขปรกเ้าใช้สกายาทิฏฐิเขามาเทียบควบกันนี่พิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสุกปกตามสภาวะความเป็นจริง แล้วก่อนพิจรารณาเห็นว่ากายนีิแปร น, นิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอนตาสลายตนกายไม่เช่เรากรายไม่เยาเขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งว่าเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นสระภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสุขปกตอยู่ไหน กายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไปกายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ทะเยาะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราจิตเข้าไปแบกกา ย, กายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นของเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมี รู้ว่ากายของเรานี้กายเขาบุคคลเองคนงดีว่าตัวท่ายคนดีมันจะสลายตัวไปในที่สุดถ้าอารมณ์จิตธขรมดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าเป็นของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจรารณาตามความเป็นจริงของสังขารขึ้นแรงกายว่าสุดโสมและกระพางไปในที่สุด อย่างนี้จิตท่จะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้นแ้วว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านยไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัด เพราะเป็นกิเลส ท, ที่มีภัยใหญ่กระทบกระแท้งกระทบกระทั่งมากไม่เหมือนสุขไ ม, ไม่ไม่เหมือนกรรมฉาชันทะกกรมมาันทักเป็นตัวนําความทุกข์มาจะมีความความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการปันปฏิฆะคือการที่ทําใจตนเป็นคนโหดร้าย ชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นการประกายความชั่วของจิตพ่ออะไรพ่อรมอย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเล่ห์อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะประทุษร้ายเขาเขาคิดจะประทุษร้ายเรา ตามที่พระพุทธเจา้าทดากล่าวว่าผูชาและปฏิโมชังวันโกปฏิวันธนังผู้บูชาอยู่ในรับการบูชาตอบผู้ว่าอยู่ในไหวตอบแล้เมื่อเราไหวเขาเขาก็ไหวเราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์้าสุขแล้วมันทุกข์ มันดีแต่มันชั่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักโศกเกลียดทุกข์เฮริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วเมอการคิดว่าสุสายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทําำการที่เราจะไม่ทํามันก็เป็นของไม่ยากแต่จิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีให้จิตทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติ ไต้แกมีความรักมีความสงสารไม่ช้าที่ศีเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางก็มาแทรกซ้อนเข้ามา ใจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดคันห้าอย่างปรากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมรสุคตอว่าเราจะต้องกระท บ, บอารมณ์ทั้งสองปราการคืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปราถนาอ ย, ย่างหนึ่งแล้วก็อ น, นิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาอ ย, ย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการได้เกิดขึ้นมาไรยใจของเราก็มีการวางเฉย ที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครจะดา่าจะว่าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเราครัวความชัว่วอายความชัว่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาเอ้าจิตใจเขามันดา่าแพุทธบริษัทหลายทรงพรมิหารสี่ เราสกกา ญ, ญาติทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายเป็นสารภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจก็จะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จตพระกรังตัดไปในมหาสฏิปทาณสูตร ว่าท่านง ห, หลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายใครนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่วัตถุสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์กายเราก็นําทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นําทุกข์มาให้ วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าแบกภาระก็นำทุกมาให้ไปนั้นวันทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นกานกรระงับเพทนาโชคคราว แล้วก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวเช็คเครื่องแต่งตัวก็สัพท์ว่าให้มาทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เืิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบแต่สองอย่าง มีทั้งความสุขปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เ้าก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมรับนับถือคาสั่งสอนขององค์สมเด็จ พ, พระสงฆ์พุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายสุขประกร่างกายมีรมแทรกแซงจะได้อิทธารม์และอ น, นิธารม์ืก็รมที่ปราถนาและไม่ปราถนา เสียงทั้งหลายเหล่านี้มาวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้คนทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับปฏิคานีที่เรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สันเสริญไม่สนใจอารมณ์อารมณ์ดูอารมณ์ที่เขาด่าว่าเ น, นท้าว่าร้ายเราก็ไม่สนใจ ตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คือออเบคาแต่ขณ ะ, ะใดเราทรงออเบคาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้เสื่อเีดอโอตปะคานานาคามีผมขออธิบายย่อๆว่าแต่เพียงเ ท, ท่านี้เท่าทั้าพูกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ใน อ, อย่างการขยายความเหมือนกัน มาขั้นสุดท้ายมา่จิตใจของบรรดาทานาหลายสามารถส่งอนาคามีไม่ได้โดยตัดอารมณ์ในการมาฉันทาทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์รูปธาตุก็มีแต่ความสศ ด, ดว่าโอหนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดี ไม่มีเสะอาดไม่ได้ความสุขรุบอารมณ์ทั้งหลายที่แปลเป็นของโลกที่ก้องทํามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้บะอารมณ์ของโลกที่แปรอนิธารมอารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจไกัคสรรเสริญเนื้ออนิธาลมได้กับอารม์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจในก ก, การเปรียบเปียได้นินทาว่าร้าย อารมณ์ต้องสอนรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้รชั่วถ้ใจไม่ยอมรับที่อย่างเดียวอารมณ์ต้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำพันเสริญเราไม่ดีเพราะคำเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วโยนที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่ว ถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสนเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนินาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่โชคไตามวงความวาระวังอารมณ์เป็นสำคัญตอนนี้ไปเขาก้าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันติเ อ, อตระอุตปะอัยไรสาหรับพระอรหันต์ การจะเป็นผ้ารหันแล้วก็ท่องอายจิตที่มันติดตัดความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากก็แค่รบโซดาสิงทาคาก็ตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือหนึ่งรูปราคะสองอรูปราคะถ้าหาักจิตทองเรายังคิดอยู่ว่า รูปปัจจันรและรูปปัจจันรนี้เป็นของดีชั้นเลิศเราเสนอสามารถทําให้คนพุ้นทุกได้ก็สแสดงว่าอารมณ์ของเรายัางชั่วเพว่าแค่รูปปัจจันและรูปปัจจันไม่สามารถจะบรรดาให้คนพ้นทุกได้จริงจังแต่ถ้ว่าเราก็ต้องเกาะรูปปัจจันรและรูปปัจจันรเป็นกําลังใหญ่สําหรับเจะห้าหั่นกับบัญญากีเลธทั้งหลาย ฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองจะสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสยากไม่ให้ไม่เข้ามาเข้ามาสิงใจและให้เป็นกําลังใหญ่สําหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเขามหั่นหันกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอภิปัญญา มองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนั่นท่านยิ่งทรงนั่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความมุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความมุ่นวายในอุเทจพืออารมณ์ยังแทรกแทรกซ้อนมีอารมณ์สัน้น ไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโ ง, โง่ยองหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปประชานและรูปประชานใน ม, มานะแะและอุสจะเชนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตเช่นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่ ท่านว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐแล้วนึกถึงความคุณธรรมที่ทําบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านพูดใดใช้กรรมฐานก่อนนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีเพียงที่สุดแล้วก็เป็นอารหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตอนนั้นมันดีเพรามันเร็วถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตอนนี้เร็วจริง พ่ออะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสตระชลาดก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอสภาพของเกิดแก่เจ็บตาย มีสภาพร่างกายสุขบุตรมีความเกิดเนีขึ้นมาในเมื่อตน้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวเป็นอที่สดเหมือนกันในกรรมวนั่งรังเกศอะไรร่างกายแร้งต่อแร้งที่จะเหม็นสาบพันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเหลวเลืนไปเป็นว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตาย คนมีศักดิ์สิทใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สุขบกโลกสมมุ่เหมือนกันอารมณ์ไม่ส่งตัวเหมือนกันทําไมที่ต้องรังเกยียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจักอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรมาก แในเพลงว่ามีอารมณ์ยับยังไม่ตอนหนึ่งเพราะเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกา ร, รมิชันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิทะอารมณ์ที่ทําสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มี ตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงดนั่นก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดา ห, หรือพรหมเราก็ปนานิพานถ้าอารมจิตซ่านมันซ่านนิดเดียวเข้านี้แต่เขายังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตเรายังทรงัวอยู่ต้องตัดความเดียถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะานิพานเป็นอารมณ์ ถ้าอารมณ์ปราณของเรายังมีอยู่เราจะเป็นละธรรมะขององสมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั้นไซแน่ก็คือมีอารมณ์เข้าถึงผลิภานแน่จจเองเป็นอาลัยนแต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกําลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่า ที่เลดยาที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนไหนเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมด ต่อไปองค์สมเด็จพระบรมุสมคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวพอเข้าไปตัดเสด้เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมนาถวณาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ในมีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เษกิจ จิตที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นสวรราเนียกรมมีความนิยมจะเข้าพราะนิพพานอย่างยิ่ยงและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเยน็น ไม่สนใจอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขกับความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แต่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายที่โรคภัย ไ, ไข้เจ็บกนดีความป่วยไข้มาสบายคนดีความแก่ก็ดีความตายกนดีดจะมาถึงเรานี้เมื่อไรายิย้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนท่างจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในการมชันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความมโลกมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสัญดาณเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่คันห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือ น, นิ r v a n มีความรู้สึกทว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นบกติไม่ชามันก็เป็นขุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมาฐานผมโพดย่อที่สุดก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดนานุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรมาฐานนิสัย ผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิธาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านอิพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระราหารันเอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอุติไว้แต่เพียงเทาง่านี้ต่อเทนี้ไปขอทุกท่านตั้งกาให้ตรงดารงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัยและจะเลิอกอะไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี